เดี๋ยวเรามีอะไรเราคุยกันก่อนเพราะถ้าดึกไป้ั น, น่นี้ง่วงนอนเนียนว่ามันง่วงนอนเราฟั ง, ไ ม, ง, ฟ ง, ง ไ, ไม่รู้เรื่องเสียฟังเพียรยังไงไม่รู้เรื่องเราก็อยากถามกันนะฟังยังไงไม่รู้เรื่องพูดคำเดียวว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราอยากถามว่าตั้งใจภาวนาพุทโธเข้าใจไหมทำได้ไหมทำเป็นไหม ทำแล้วจิตมันจูหรือมันอยู่ยังไง ร, รู้จักไหมมันไปมันไปยังไง ร, รู้จักไหมถ้าเข้าใจแค่นี้ก็ทำเอาแค่นี้พอแล้วืเวลาเราพูดธรรมะนี่เราก็พูดข้างในนะเราไม่ได้พูดข้างนอกเราพูดข้างในถ้าเราส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยจะไม่รู้เรื่องหรอกขาดแม้แต่ระยะเดียวมันก็ฟังไม่รูเรื่องแล้ว ผมพูดข้างในพูดเรื่องวิถีจิตข้างในแต่ถ้าหากพระไม่ส่งจิตมาที่จิตของเราเส่งไปที่อื่นจะฟังมันก็จะรู้เรื่องแต่เรื่องฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่ามันมีหลายลระดับหลายระดับแม้แต่เวลาเรียนในห้องเรียนคําว่าสติคําเดียวกับสัมผชัญญะคําเดียวก็อธิบายกันเป็นวันๆก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ทําทําให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์เข้าใจไหมคําว่าภาวนาคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธผู้ที่ว่าพุโทโธคือจิตจิตมันเป็นผู้ว่าพุโทโธพุโทโธคําว่าพุโทโธนะั่นแหะเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์ผู้ที่ว่าพุโทโธคือจิตสิ่งที่เป็นสติก็คือ เอาจิตระลึกรู้ปัจจุบันนั่นแหะคือสติสติก็คืออาการของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตมันเป็นอาการของจิตมันเป็นคุณสมบัติของจิตมันเป็นคุณธรรมที่เกิดจากจิตที่เราเรียกว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้รู้ถันปัจจุบันเ้าเรียกว่าสตินี่เราเข้าใจไหมเราความเข้าใจไหมเ้าเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้ว เราก็ทําบริกรรมอยู่อย่างนั้นกําหนดเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตมันสงบมันสงบอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธเวลามันอยู่เราก็ต้องรู้รู้ว่ามันอยู่อยู่คือสามัญญาเวลามันไปก็ต้องรู้รู้ว่ามันมันไปนี่คือสามชัญญาในขณะที่ว่าพุทว่าโธก็ต้องรู้อีกว่าเราว่าพุทว่าโธ มันกลมกลืนกันสติกับสัมผัสกันเมื่อกลมกลืนกันไปแล้วมันก็เหมือนก็บว่าเป็นปัญญาเป็นความสว่างเป็นแสงสว่างภายในจิตของเราอันนี้คือปัจจัยสัมพันธ์คือปัจจัยหลักอย่าทิ้งตรงนี้นะถ้าทิ้งตรงนี้แล้วเราไม่ ม, เ ม, มีเราไม่มีหลักยึดเราไม่มีที่ยึดเราไม่มีฐานเหยียบไม่มีที่รองเหยียบไม่มีที่ยืนทํางาน ไม่มีอุปกรณ์ระดับมาประกอบและการทํางานเข้าใจไหมคำว่ า, าพุโทโธพุโทโธแล้วก็อยู่อย่างเนี้หนึ่งขณะจิตก็อยู่กับพุโทโธสองขณะจิตก็อยู่กับพุโทโธสามขณะจิตหนึ่งนาทีสองนา ท, นาทีห้านาทีสิบนาทีครึ่งชัว่วโมงก็ให้มันอยู่ให้มันอยู่แค่นี้จนเกิดความรู้สึกแน่นแนบแน่นภายในอก หรือไม่ก็กำลัดลมหายใจเข้าว่าพุธลมหายใจออกว่าโทดูไปที่ลมเขา้าว่าพุธดูไปที่ลมออกว่าโทเอาอะไรดูก็เอาจิตนี่แหละดูแต่จิตไม่ใช่จิตอย่างเดียวเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติเป็นจิตที่ประกอบไปด้ว ย, วยสามปัญญยักเพราะอันนี้เป็นตัวอุปการะมีกันทำที่มีอุปการะมาก แก่ทำทั้งหลายทั้งปวงนะจะเป็นฉันทักก็ตามวิริยะ ก, ก็ตามนะจิตตะ ก, ก็ตามวิมังสาก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของอิทธิบาทอิทธิบาทอันเป็นคุณธรรมที่ประกอบให้การงานทั้งหลายทั้งปวงสนะาเร็จร่วงไปดีๆที่เ้เรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบา ท, ท, บาทคุณเครื่องแห่งความสำเร็จนะนะถ้าหากไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะ ไม่มีอุปกรณ์ชิ้นสําคัญตัวนี้ก็ไม่สําเร็จประโยชนเอาอะไรไปทําอ่ะในเมื่อเครื่องมือเราไม่ดีเครื่องมือเราไม่คมเครื่องมือเราบิดเราเบี้ยวเครื่องมือเราบินอย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรไปขุดเราเอาเอ า, เอาอะไรไปสับเอาอะไรไปฟันอย่าลืมคำว่าสติความระลึกได้เราก็ทดสอบดูอีกมันยังไงกันน้องระลึกได้ระลึกได้ อะไรได้ย really? ินอะไรเห็นทางตาปั๊บเราก็รู้รู้ทันทีว่เห็นเสียงอะไรมากระทบหูปั๊บเราก็รู้รู้ทันทีรู้ว่าเสียงเสีสติตระลึกรู้อาการความรู้สึกของกายส่วนไหนตามที่มีความรู้สึกขึ้นเช็นอย่างยุงจับปั๊บเราก็รู้สึกระลึกได้ทันทีมดตายปั๊บรู้สึกระลึกได้ทันทีถูกความร้อนปั๊บถูกความเย็นปั๊บ ลุกขึ้นเดินพับลุกขึ้นยืนพับนั่งพับนอนเที่ยวดื่มทำพูดคิดแต่และอย่างแต่และอย่างนั่นแหละเราเอาจิตที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมผัสยั่งยานี่แหละจับความรู้สึกความรู้สึกนั้นอ่ะมันจะกระเทือนคือร่างกายมันกระเทือนมันกระเทือนแล้วจิตมันรัวิู้นครับอารมณ์ทางทางตาทางการรับอารมณ์รูปเสีย ง, ยงกลิ่นรสสัมผัส รวมไปถึงความนึกคิดในภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานั่งภาว น, า เ, นเาเกือบร้อยทั้งร้อยเราจะเกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์คําว่าธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ฝังลึกลงไปในใจิตใจที่เรียกว่าสัญญาอารมณ์เพราะในขณะที่เราทำํำเรานั่งทำเรานั่งปฏิกรรมเพื่อให้จิตสงบเนี่ยเราก็นั่งหลับตา ร, รูปเราก็ไม่เห็นอะไรเราก็ไม่เห็น เราเพียงไปเห็นอาการไหวของของกายเท่านั้นกายมันไหวเข้าไหวออกไหวลมมันเข้ามันออกเข้าออกก็ไหวเข้าไหวออกไหวเข้าไหวออกไหวแฝบเข้าไปไหวโผล่ออกมาไหวเข้าไหวออกไหวเข้าไหวออกเห็นอาการไหวของกายเวลาเรากําหนดใหจิตในครับความสุงบแท้แน่ความรู้สึกมันจะมากําหนดจุดจ่ออยู่กับ ความรู้สึกเที่อับอยากคืออาการของกายไหวมันไหวจากการที่ลมเข้าแล้วก็ลมออลมเข้าแล้วก็ลมออกลมเข้ากับลมออกนั้นเป็นภาวะของมันมันมีประจำท่ามันมีประจําขันของอัตภาพร่างกายอันนี้มันเป็นสิ่งพลนปลืม้มกายเราต้องลดพิจารณาเข้าไปกําหนดบริกรรมเข้าไปหายใจเข้า หายใจออกหมดโถอดโถที่โถทําไปทําไปทําไปทําไปมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปเปรย์อะมีความรู้สึกเหมืนอนอกไกวเปรย์ทั้งทั้งเด็เคลิ้มเคลิ้มเลิ้มันเริ่มมีความรู้สึก ม, ม, ม, ม, ม, มันเริ่มมีความสงบมันเริ่มมีความรู้สึกเมื่อเราเคลิ้นเคลอ้มใจจะหลับเลยมันเริ่มมีความสงบมันมีความสงบมันเริ่มมีความสงบ เราก็ไม่ปล่อยคำบริกรรมกำหนดเข้าไปเรื่อพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับอารมณ์เดียวทาไมเราจึงต้องบริกรรมให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวเพราะเราต้องการให้จิตสงบทําไมจิตจึงไม่สงบทําไมจิตถึงไม่สงบจิตมันไม่สงบเพราะมันมีสิ่งพาดพาดิี้อยู่ข้างในที่ตัณฑ์ว่าตัณหาคือความทยานอยากของจิต ความทยานอยา ก, กของจิตซึ่งเราเรียกว่าตันหาเนี่ยมันเป็นพิษเป็นสงของจิตที่มีอยู่ภายในจิตของเราเนี่ยมันเลยพาจิตของเราเนี่ยพาดิ้นไปน้นพาดิ้นไปนูนพ้นนนพานึกไปน้นพาคิดไปนี้ตามลำพังของมันถ้าเราไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องเน่ยทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมันก็เอาไปนึกไปคิดตามใจชอบของมันทั้งหมด ความคิดความนึกของมันเป็นไปตามความอยากไม่มีประมาณไม่มีประมาณมากกว่าแม่น้ําในมากกว่าน้ําในมหาสมุทรับนาทีตันหาสมานาทีตันหาคือความทะยาอยากความรื่นรมของจิตมากกว่ามากกว่าแม่น้ําในมหาสมุทรเราคิดดูทีโกโนบายมายาที่มันพาเราเนะิกเราคิดเพราะฉะนั้นเราต้องการให้จิตสงบ ในเมืม่อจิต ม, ม, ม, มันไม่สงบมันก็หลงไปเรื่อยหลงไปไหนหลงไปกับอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่มักิเลมันพานึกพาคิดนั่นแหละพาลึกไปเรื่องรูปไปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นกลิ่นเรื่องรสเรื่องการถูกต้องสัมผัสเรื่องสารพัดสารเพยที่มันจะพานึกพาคิดไม่มีจบไม่มีสิ้นนีากำนดของมันทีนี้เราก็หลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเราจะแก้ความหลงเนี่เราจะต้องให้มันหยุดคิดให้มันหยุดคิด ไปให้มันมาคิดอยู่กับเรื่องเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธเขามาพุโทโธมันจํากัดเข้ามาประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสามัญญอต์มันไม่ด้เคลื่อนไปเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนอย่างเราเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วก็วาดมนโนภาพเข้าไปวาดไปอย่างนั้นวาดไปวาดตามใจนึกตามใจชอบเนี่ยเช่นอย่างรูปกันเดียวนี่ยแหละ ถมามีสองคนหรือสามคนไปเห็นมันจะนึกคิดไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็คิดวาดมโนภาพไปอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็นึกคิดว่ามโนภาพภาพไปอีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็นึกคิดวาดมโนภาพไปอีกอย่างหนึ่งอความนึกความคิดในใจจะไม่เหมือนกั น, นจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าหาทั้งสามคนเนี่ยต่างคนต่างไม่มีธรรมเป็นประจักษ์ อ, อนาจ ข, ของความอยากของกิเลส กำลังของกิเลสพลังของกิเลสทั้งหมดมันก็ดึงไปตาม เ, เรื่องของกิเลสทั้งหมดที่ปรุงต่อเติมเสริมแต่งไปจนจนสุดของมันกว่าจะรู้สึกตัวแต่ละยกแต่ละยกแต่ละยกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่หละไมารู้นานแค่กี่ขณะผิตล่ะบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มงไม่รู้สึกตัวบางทีเป็นวันวั น, วนบางทีไ ม, ม่ศึกษาเรื่องธรรมะเลยเนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลย ถ้าเราศึกษาธรรมะบ้างเรามีข้อเรามีข้อเปรียบเทียบแล้วก็มีสิ่งมาดึงมาเหนียวมารังเอาไว้อมันดึงมารังเอาไว้ทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนั้นนึกคิดไปในเครื่องของกิเลสอันนี้นึกคิดมาในเรื่องของธรรมนี่มันพาจิตเรานึกเราคิดไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทําไมเราจะหายหลงใ น, นเมื่อเราไม่หายหลงไม่หายลุ่มหลงเนี่ยเราก็ยึดกายอยู่ทําไปพอกายทุกข์เราก็ได้ทุกข์ ซ้ำเติมเข้าไปอีกเป็นครั้งที่สองเป็นข้อที่สองเข้าไปนักแล้วหนึ่งกิโลนะดยเหตุที่เรายึดกใจแบบนักเป็นอีกสิบกิโลอีกเป็นร้อยกิโลเข้าไปด้วยเหตุที่ใจมันยึดอีกเพราะฉะนั้นความทุกข์อันนี้เนี่ยมันมีเหตุเกิดของมันใ น, นเมื่อมีเหตุเกิดของมันพระพุทธเจ้าท่านทรงให้พิจารณาไปที่เหตุแล้วก็แก้ที่เหตุเมื่อเราแก้ที่เหตุได้เราก็ดับได้เหมือนอย่างพระพุทธเจา้าพระสาวกพร ะ, พระอริยสาวก ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงอัดถึงทำท่านแก้ได้สําเร็จเสียดชิ้นจบหมดแล้วะมันมีเหตุว่ามันท่านก็ย้อนเข้าไปแก้ที่เหตุมันก็หมดเหตุเป็นใจได้นั่นคือเหตุภายในใจท่านให้เภาไนจิตสงบทำให้จิตสงบเพื่อมาให้มันดีมันริ้นไปตามสิริเมื่อสงบมากๆเข้าบ่อยครั้งเข้าจิตมันก็หนักแน่นมันก็แนบแน่นมันก็ตั้งมั่น มีรถมีชาติมีโอชาของธรรมมีความสุขมีปีติมีความอกอิ่มมีความอบอุ่นมีความหวังพึ่งมีที่หวังมีที่พึ่งมีสุขติเป็นไปเป็นไปอยู่ทั้งปัจจุบันทั้งเป็นไปข้างหน้ามันมีที่หวังมันมีที่พึ่งนี่คือความสงบความสงบเกิดขึ้นแล้วมันจะมีมันจะมีพลัง มันจะทําให้จิตของเราได้มีพลังคําว่ามีพลังหมายความว่าไงคําว่าพลังเกิดขึ้นจากความสงบมันประกอบไปด้วยจิตนั้นมีสติดีขึ้นจิต ด, ดวงนั้นมีสัมผัจัญญาดีขึ้นชัดเจนขึ้นความอดความทนก็มีขึ้นการที่จะสอดส่องลงไปเพื่อจะพิจรารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันก็จะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนีกมันมีความสําคัญอย่างนี้แค่นี้เราจะเข้าใจไม่ได้เลย แค่เราบริกรรมทำให้คิดได้รับความสงบในเมื่ออย่างอื่นที่เป็นส่วนละเอียดเราเข้าใจไม่ได้เราเข้าเข้าใจหลักเกณฑ์อันนี้แค่นี้เราก็ทําเข้าไปเมื่อเราทําแบบสุขัดนั้นทําเป็นประจําทําเป็นประจําทําเป็นประจำโดยเหตุที่เป็นการเป็นนานหลายเมื่อเราทำประจําเราก็มีความชำนิชํานาญมีควา ม, มรู้มีความเข้าใจขึ้นมาได้อเราพิจารณาสิบครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจพิจารณาร้อยครั้งเราก็ไม่เข้าใจพิจารณาพันครั้ง มันหาเข้าใจจนได้แล้วแหละมืดขนาดไหนทึบขนาดไหนปึ๊ขนาดไหนก็ตามสามารถมีความรู้มีความเข้าใจได้ด้วยเหตุที่พวกเราไม่บ้าใบทีกว่ามีการประสาทกายไม่เสียประสาทจิตที่มาเกี่ยวข้องกับกายไม่ไมเสือ่อมไม่เสียไม่มีกรรมัดมาตัดมารน เราสามารถแบบพัฒนาจิตของเราเป็นไปได้เพราะนี่เป็นการพัฒนาจิตที่ดีที่างามที่ถูกที่ต้องที่ตรงเป้าที่สุดเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยมืดทึบมองไม่เห็นอะไรเลยจิตเราก็มาขัดเราชำระเข้าไปขัดเราเข้าไปชำระเข้าไปขัดเราเข้าไปอาศัยความรู้คือสติคือสอัมผัสฉันยะนี่หลยค่อยๆโผล่ เ, เข้ามาค่อยๆชัดเจนเข้ามาค่อยๆชัดเจนเข้ามาชัดเจนขึ้นมา เพราะมีมีเพิ่มเข้ามามากเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่ามันใสขึ้นมามากเท่านั้นเลยอาทิเคยมืดๆทึบๆนันมันก็ค่อยจางไปค่อยๆจางไปค่อยๆเห็นอะไรเรือนเรือนค่อยๆเห็นอะไรจางจางค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างค่อยเห็นเป็นมโนภาพที่เราวาดเรากระดูดอยู่ภายในใจเรานักยังไงเราคิดยังไงเรากระยังไงเราวาดยังไงอันไหนเป็นเรื่องของเจลีกอันไหนเป็นเรื่องของธรรมอันไหนเป็นเรื่องของสิ่งที่ที่เกิดประโยชน์ อันไหนคือสิ่งที่ทําให้เกิดโทษมันจะมีความรู้สึกเบอกอยู่ในตัวเนี่ยความเกลือนเกลือในการในการภาวนาแค่เราภาวนาเท่นี้เราทําให้จิตของเราสงบแค่นี้มันก็มีผลมันก็มีอันมีนสงในกา ร, รําำัะขัดจังกิตของเรา ใ, ให้มีพื้นมีภูมีบาตมีฐานอยในใจเรบคิดว่าทุกคนจะต้องเข้าใจแค่นี้แล้วก็ทําไปผลอะไรจะเกิดขึ้น เราก็ดูเราก็พิจารณาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะมันเกิดที่ใจของเราเราทํายังไงเราทําเราทําเหตุอย่างไรในเมื่อทําไปแล้วมันเกิดผลอย่างไรผลอย่างนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเราก็พิจารณาผลเราก็ย้อนไปที่เหตุพิจารณาเหตุก็ย้อนมาที่ผลเสร็จแล้วก็มากําหนดจดจ่อทําให้สงบอยู่กับที่เดิมบริกรรมเหมือนอย่างเดิมสงบไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยสงบไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อย เราไม่พิจรารณาสมมติเราไม่ได้ขัดไม่ได้กล่าวจิตของเราจรีตของเราขมืดกระทอบไปอยู่อย่างนั้นไม่มีความสว่างไม่มีความรู้มีความสว่างไม่มีความสวสยเนี่ยเราเราเร า, เราปฏิเสธไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่มีผลสืบเนื่องในเมื่อเราทําทุกระยะทุกเวลาทุกนาทียาพยายามสังเกตสังขารพยายามจับยังไงมันจะสะดวก ยังไงมันจะสะดวกนั่งยังไงมันจะสบายเวลาไหนสะดวกเวลาไหนสบายอารมณ์ย uh, ังไงสะดวกอารมณ์ยังไงสบายจับยังไงสะดวกจับยังไงสบายถ้าเราเชำนิชํานาญอราคล่องแคลงเรามีที่จับย้อนมาพับเขาเกาะปั๊บเขาจับได้เราย้อนมาปั๊บเขาเกาะปั๊บเขาจับปับจับที่ความรู้สึกจับที่ผู้รู้สึกจับกำหนดที่จะนาย้อนหน้าย้อนหลังย้อนหน้าย้อนหลังเราจะ เอาไปสอดส่องพิจารณาคลี่คลายแล้วก็สอบส่องเข้าไปมาสอบส่องดูกายของเราอะไรเป็นเราอะไรเป็นเราก็ถามเข้าไปสิผมเป็นเราหรือคนเป็นเราเล็บเป็นเราหรืออาการอาการของกายทั้งสามสิบสองอาการนี่หรือเป็นเราก็ดูไปดิผมก็เป็นผมคนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังหรือว่าธาตดิน ธาตุดินเป็นเราก็ท่านก็ว่าธาตุดินดูไปให้เห็นสภาพหรือสภาวะที่เป็นเป็นธาตุดินชีพที่แข็งแข็งในกายเราเป็นธาตุดินเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเตียนเป็นกระดูกอย่มีเป็นธาตุดินที่เราเห็นทั้งหมดเป็นก้อนเป็นแท่งมีเป็นธาตุดินธาตุดินภายในกับธาตุดินภายนอกท่านหมายเอา สิ่งที่แข่นแข็งท่านไม่ได้หมายเอาว่าอันนั้นเป็นกรวดเป็นทรายอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังท่านไม่ได้หมายเอาอย่างนั้นท่านหมายเอาสิ่งที่แข่นแข็งสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งท่านหมายเอาอันนี้ต่างหากเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นไม้ก็เป็นธาตุดินหินก็เป็นธาตุดินดินก็เป็นธาตุดินกรวดทรายก็เป็นธาตุดินต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆที่เป็นก้อนที่เป็นแท่งมันเป็นธาตุดินทั้งหมด สิ่งที่สิ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นธาตุดินเราต้องเข้าใจด้วยคำว่าธาตุดินทํำไมเราจะดูเนื้อดูหนังให้มันเหมือนกับธาตุดินข้างนอกเราจะดูเหมือนอะไรอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่าเรายัางไม่เข้าใจเราจะต้องคิดว่าที่ท่านหมายว่าธาตุดิน น, นั้นนะหมายความว่าสิ่งที่มีลักษณะเ่แข่นแข็งแข่นแข็ ง, ขงคือเป็นก้อนเป็นแท่งเหมันนั้นแหละถ้าเราดูที่ตัวเราที่กายเรา เราดูมาที่กายทั้งก้อนเ น, นะนี่ยนนี่แหละคือธาตุดินด้วยสายตาที่เราดูเราเห็นนะมีหัวมีแขนสองมีลำตัวแล้วเขามีขาสองขานะเป็นเป็นคนจะยืนก็คือค น, จ ะ, นจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะอะไรก็คือคนนี่นี่แหละคือลักษณะของธาตุดินถ้าจะดูไปที่อาการของมาันอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะถ้าเราจะดูไปที่อาการของมาันดูไปที่ผมผมแข็งมั้ยผมแข็ง ขนแข็งไหมแข็งเล็บแข็งไหมแข็งฟันแข็งไหมแข็งหนังแข็งไหมหนังไม่แข็งเราจับมันก็นิ่มๆแต่ว่ามันเป็นก้อนมันเป็นแท่งะก็เลยอนุโลมเข้าเป็นธาตดิเวลาสมมติเราเอาหนังไปตาเพรมันแตกแห้งปัมันก็แข็งเอาไปบดมันก็เป็นผงถ้าเอาไปโรยมันก็กลมกลืนกันไปกับธาตุดินเราไปคลุกเคล้ากันมันก็หายละลายไป เป็นธาตุดินเป็นผมก็เหมือนกันต้็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหมืรวมไปถึงกระดูกเหมือนกันรองกระดูกผุเปื่อยเป็นเป็นแป้งผุเปื่อยเป็นแป้งเป็นผมเป็นอะไรไปเราไปคุกเคล้ากับที่ดินก็กลายเป็นที่ดินเอนคือสภาพที่เป็นดินเป็นสภาพที่แข็นที่แข็งนต้องเข้าใจคำว่าธาตุดินด้วยธาตุดินคือลักษณะเช่นแข็งธาตุน้า คือลักษณะที่ซึมซาบเออบอาบอยู่ในกายของเราเราดูนี้เราก็เข้าใจวเ อ, อิทบท่าดินเป็นนี้เราจะไปดูท่าดินที่เป็นหนังเป็นเนื้อเราจะไปดูท่าดินที่เป็นกรวดเป็นทรายให้มันเหมือนกันมันจะเหมือนกันได้อย่างไรอันนั้นยังเข้าใจไม่ถูกยังเข้าใจผิดท่านบอกว่าท่าดินคื อ, คอสิ่งที่มีลักษณะแข็ง ธาตุน้ําคือมีลักษณะซึมซึมซึมซาบเปิดอาบเช่นอย่างน้ําเงือเนี่ยมันซึมซาบไหมน้ําเงือน้ําปัสสาวะเนนี้เนี่ยเป็ธาตุน้ำน้ำลายเนี่ยธาตุน้ําน้ําเงือ่เนี่ยน้ำปุจจาระน้ําปัสสาวะว่าตรงไหนที่เป็นส่วนเหลวๆที่ในกายของเราที่แน้ําดีน้ํำสเลดน้ําเหลืองน้ําเลือดอย่างเงี้ยมันเป็นธาตุน้ําคือมันมีลักษณะ เปิดอาบซึมซาบมันซึมมันซาบไปในกายนี้นี่คือเรียกว่าธาตุน้ำธาตุน้ำข้างในกับธาตุน้ําข้างนอกอันนี้เราดูมันจะใกล้เคียงกันใช่ไหธาตุน้าข้างนอกธาตุใสสะอาดบริสุทธิ์เราดูไปก็ใสเหมือนแก้วใส่สีแดงดูไปก็เป็นสีแดงใส่สีเขียวก็เมืนอย่างที่เราดูน้ําอัดลมใส่สีส้มๆเราดูไปก็เหมือนสีส้มแล้วใส่สีอะไรเข้าไปมันก็กลายเป็นสีนั้น แต่ภาวะของมันก็คือมันซึมซาบมันอึบอ่าเหมือนกันในตายของเราก็เช่นเดียวกันอันนี้คือท่าน้ํา่านลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกมีกันลมภายในลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมพัดลงพัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลงเบื้องเบื้องต่ำอันนี้คือท่านลมอันนี้เกี่ยวข้องกับตัวเราลมที่สําคัญที่สุดคือลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปหายใจออกมาเอาอากาศเสียถ่ายเทยออกมาคือร่างกายมันถ่ายเทยอากาศดีเข้าไปอากาศเสียออกมาอากาศดนเข้าไปอากาศเสียออกมา น, นี่คือการหายใจของร่างกายมันเป็นวิธีการชนิดหนึ่งของสังขารของกายนิ่งซึ่งมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กายนี่อยู่ได้ทรงตัวอยู่ได้อันนี้คือท่านลมท่านลมภายในกับท่านลมภายนอก ลมภายนอกเราเรามองเห็นได้ไหมเรามองมันเห็นไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่วิสัยของตาลมไม่ใช่วิสัยของตานะแต่ถ้าหากมันไปพัดต้นไม้ไหวๆไเห็นใบไม้ไหวๆเออเราสันนิษฐานว่าเออนั่น ถ, ถ, ถูกถูกลมหรือมันพัดมาถูกตัวเราโอ้เย็นเฉยเฉียวหนี่คือลมมันมาสัมผัสที่กายได้แต่มันไม่ใช่วิสัยของตาที่ตาจะไปมองเห็น แต่ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นรูปมันถึงมาสัมผัสจิกายเราได้อันนี้คือธาตุลงข้างนอกเราดูไม่เห็นหรอกนะเราดูด้วยตามแต่เราสัมผัสด้วยกายได้ลมลมแผ่วลมเบาลมแรงลมกระโชกลมยังไงก็แล้วแต่เราสามารถรับทราบได้ น, นี่คือธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุลมภายในธาตุลมภา ย, า like, าอายา like, นอก ทีนี้ธาตุไฟธาตุไฟภายในธาตุไฟภายนอกธาตุไฟคาว่าธาตุไฟคือความร้อนคาว่าธาตุไฟคือความร้อนธาตุไฟนี้เรามองไม่เห็นนะธาตุไฟเรามองไม่เห็นความร้อ น, นเรามองไม่เห็นเหมือนกับลมนั่นแหละแต่เราสามารถสัมผัสได้เหม America ือนอย่างเราเห็นเปลวเทียนเนี่ยเราเห็นเฉยเฉเนี่ยเราไม่ได้เอามือเราไปแย่เราจะไม่ทราบว่าไฟเป็นยังไง เราเห็นสีุ้เหลืองน่นอ่ะนั่นเป็นสีที่มันเกิดขึ้นจากเปลวไฟไม่ใช่ตัวไฟตัวไฟคือความร้อนนั่นคือธ า, า, าตุไฟเรามาสัมผัสที่ตัวเรามาสัมผัสที่หน้าผ า, จากจักระแลเนี่ยเช่นอย่างหมอเอวัดปล อ, อดวัดกลอคนไท้เอามาเสียบจกักระแลเอามาอมในปากความร้อนมาเกิดขึ้นทำไมความร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความร้อนมันมีอยู่แล้วในกายเรามาสัมผัสที่หน้าผากเราเนีมันจะมีความปกคุ้มมีคือธาตุไฟ ธาตุวินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟภายนอกเราก็ไม่สงสัยแลย้วนะเราเห็นกองไฟกองอยู่น่ะเราเห็นไอ้ที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ไฟเราเห็นเป็นสีเราเห็นเป็นควันเราเห็นเป็นลายนั้นไม่ใช่ไฟมันเป็นกิยาอาการที่เกี่ยวข้องกับไฟเราสัมผัสได้โดยเอาเอามือไปแย่พอแหย่ปับ๊บร้อนเม่าอ่อนนั่นะ น, น่ะตัวนั่นแหะคือตัวธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟในภายในเราก็ดูไม่เห็นแต่เราสามารถสัมผัสในตัวเราได้ ร่างกายเราอบคุณเราก็สามารถรู้สึกได้คือเราอบคุณเรามีธาตไฟเราต้องการรู้ว่าเรามีความร้อนตรงไหนมากกว่าเราเอามือเรามาสัมผัส ด, ดูเช่นอย่างจักรแร่มันบีมันบีกันอยู่มันความร้อนมากเรากเร็เราก็สามารถจะได้รับความร้อนมากเช่นอย่างหน้าผากเราเนี่ยเราเ หลังมือแตะเข้าไปเราก็สามารถทราบได้คือทิศทางไฟทิศทางไฟภายนทิศทางไฟภายนอกสิ่งทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมที่เราควรเข้าใจด้วยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ดูเอ๊ะมันเหมือนกันได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงอะไรก็ได้ยั ง, งเราดูลักษณะอาการของมันลักษณะของดินก็คือลักษณะแข็งแขงเข่มแข็ ง, ขงลักษณะของน้ําก็คือเป่ออาบซึมซาบ ลักษณะของลมก็คือลมพัดขึ้นลมพัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่ที่เราง่ายๆไม่เชื่อเราก็เอาปากเราเป่าลมมันลงมันออกมาจากปากเอาจมูกเรเป่าลมมันอมาจากจมูกถ้าลมในภายในถ้าลมในภายนอกเราก็ดูสังเกตดูใบเราสังเกตดูเปลวเทียนลมถูกลมเราสังเกตดูควันไฟน่ะถูก ถูกลมถูกลมธาตุลมภายนอกกับธาตุลมภายในแล้วก็ธาตุไฟธาตุไฟภายนอกกับธาตุไฟภายในเดี๋ยวนี้เราหลงอัตภาพร่างกายของเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแต่มันมีลักษณะมีลักษณะมันมีอาการเราก็มาติดในลักษณะของกายนี้เราก็มาติดอาการของกายนี้ เป็นอย่างบางคนก็เห็นว่าผมงามคิ้งงามตางามปากงามอะไรอะไรงามสารพัดไปหมดหูงามหัวงามคองามแขนงามเลี้ยวงามลำตัวงามขางามผิวงามเราดูมังามไปแท้ที่จริงต่างๆเหล่านี้คืออาการที่เกิดขึ้นจากดินจากน้ําจากลมจากไฟ ก็เหตุที่เราไม่ทราบสาเหตุท่าตนโ ต, ต, ตเราก็หลงหลงยึดหลงติดหลงสาคัญมั่นหมายหลงมากๆเขาเกิดราคะเกิดตันหาเกิดความกําหนับเกิดความยินดีซึ่งกันกันยินดีของตัวเองยินดีของคนอื่นยินดีกับความกําหนับที่เกิดความเกี่ยวข้องกันโดยหลักธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ อยู่ด้วยการต่อสืบหนอดต่อแขนงที่ค่าเยียกว่าสืบพันนี่ก็เป็นมีที่อาการอย่างนี้เกิดตนันหาเกิดราคะขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเราไม่ได้ดูให้ละเอียดเราไม่ได้ดูให้ชัดเข้าไปดูสุ่มซ่มดูรวบรวบดูรวมรวมดูไม่ได้แยกแยะดูไม่ได้ย่งจิ ด, ดให้เข้าถึงหลักสักจธรรม เราก็หลงไหลเคลิบเคลิมไปกับสิ่งที่เราเห็นไปกับเสียงที่เราได้ยินอ่าพอรูปแบบนี้เราเห็นปั๊บว่ามันแปะเข้าไปที่จิตสร้อยจิตชอบจิตชอบจิตมีความสุขจิตมีความพอใจจิตอยากได้อฟังเสียงเสียงคนเสียงสัตว์เสียงดนตรีเสียงเพราะเคลิบเคลิมหลงไหลเข้าไปที่จิตใจเสียงไม่เพราะ มันก็จีบมันก็ขวางขัดข้องในหนใัวใจแสดงว่าแสดงว่าเราไม่ได้วิิงใช้ไพทวลจิตใจของเรายังไม่ได้ยังเข้าถึงหลักของสัจ ธ, ธ, ธรรมถ้ายัางเข้าถึงหลักของสัจ ธ, ธรรมเป็นไหเราเห็นรูปก็เป็นรูปเราได้ยินเสียงเสียงก็คือเสียงหูก็คือหูเสียงก็คือเสีย ง, ย ง, ยงใจเป็นผู้ไปรับทราบเป็นสโสตยินญาณอันนี้ก็คือวิญญาณ อันนี้เป็นหลักสภาวะธรรมทั้งปวงที่เราควรรู้ควรเข้าใจเราพูดแต่สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในปัจจัยพิดกแต่ชื่อเสียงเรียงนามของขันรูปดินรูปก็ตามนามก็ตามดินน้ำลมไฟก็ตามมีชื่ออยู่ในปัจจัยพิดกมีชื่ออยู่ในตัวหนังสือแต่เรากําลังพูดถึงเรื่องจริงภาวะจริงที่ที่มีในตัวเราที่วนี้ เป็นอุปการะเกื้อกูลในการปฏิบัติธรรมในการภาวนาของเราแล้วก็ดูเข้ามาทายนี้เราก็มีขึ้นมาตั้งแต่เราออกจากท้อมมงแม่มารู้เรียนสาภาวะมาแล้วก็รู้มารู้จักบายรู้จักนุ่งกางเกง น, ง, งนุ่งสง น, นุ่งขึ้นนุ่งรู้จักรักษา ร, รู้จกักพักษาความสอาดรู้จับรู้จักอะไรอะไรนเกิดความรู้สึกเกิดอายอะไรขึ้นมา เราก็มีคว า, เาออมเกี่ยวข้องมีความผูกพันกันมาตลอดถ้าเราไม่มาศึกษาตรงนี้เราก็เข้าใจไปเด็กไปเดโลกโลกในเมื่อเห็นแล้วก็ชอบกับไม่ชอบได้ยินก็ชอบกับไม่ชอบในความนึกคิดก็ชอบกับกไม่ชอบโอกาสที่เราจะรู้ว่าโอ้เป็นรูปเป็นหลักสภาวะธรรมเป็นนั้นเป็นนั้นงนั้นเป็นเสียงเป็นสภาวะธรรมเป็นงั้นเป็นนั้นเป็นนั้น ดยเหตุที่เราไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาตัณหาที่เป็นตัวทยานอย่างมันคอยที่จะแทรกออกมาอยู่แล้วคอยที่จะสวมรอยเข้ามาอย่แมันก็สวมรอยเข้ามาทันทีเสริมเข้ามาแล้วก็ดึงจิตตัวนี้แหละไปใช้ไปสอยนั่งบางเหียนจิตเราเองเอาจิตตัวนี้แหละไปใช้ไปสอนการที่เราเรียนทําการศึกษาถามการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมารู้เราจะต้องมาเข้าใจตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แหะเราไปคว้าน้ําเหลว รูไ้ไหมจับอะไรนะเอาตัวเ่านี่แหละเป็นที่ตั้งเอาร่างกายเอาเอัตภาพร่างกายเราเป็นที่ตั้งเอาลมหายใจเข้าหายใจออกเราเป็นตัวตั้งหายใจเข้าดาริดาริคือว่าที่ใจนั่นแหละกําหนดว่าพุทประกอบไปโดยสติสัมปชัญญะนะจออยู่นั่นนะหายใจออกวําริกโร็โถพุทโท พุทโธพุทโธมีสติกำหนดจดจ่ออยู่นั้นเพื่อความสงบของจิตถ้าสติถ้าสัาสามผัสจัยะจ่ออยู่นั้นความอยากถ้าหากความอยากมันแทรกเข้ามาเราก็รู้ได้เลยมันเสียนุงไปขณะหนึ่งสองขณะสาขณะห้าขณะสิบขณะอย่างช้าที่สุดเราก็ ร, ร, รู้ได้รู้สึกตัวโอ้ว่ามันพาจิตเราเลิอคิดไปที่อื่นแล้วเราไม่ได้อยู่กับอารมณ์ที่เราบริกรรมแล้วรู้ ฝึกนานๆเข้าฝึกหนักๆเข้ากำหนดมาพักมันก็อยู่รวมไปถึงว่ามันมีสมบัติที่เราสั่งสมปลุมเอาไว้คือความสงบนั่นแหการสั่งสมมาเท่าไหร่มันก็แนบแน่นอยู่ในมือมันเป็นสมบัติของเราแนบแน่นอยู่ในใจของเรามันเป็นสมบัติของนใจที่เราทำได้พอดึงจิตเข้ามากําหนดพับมันก็ได้รับความสงบได้รับความแนบแน่นได้รับความตั้งมั่นที่จะเกิดความตั้งมั่นใงจิตดึงมามันก็อยู่ เขดึงมาก็อยู่ดึงมาก็อยู่คือเมื่อก่อนนั้นติดจะไม่เชื่อมติดจะไม่เชื่อมเหมือนปลาสัตว์ที่เราฝึกยังไม่เชื่อมเลยเพอเราฝุกหนักๆเข้าเขาได้รับความสงบได้อาหารที่ถูกถูกปากถูกใจเขาเขาค่อยๆเขค่อยเริ่มเชื่อมเข้ามาเชื่อมเข้ามาเขาจะอยู่อยู่ก็คือสงบนั่นแหละอ่ามันไม่มีความบนแรงที่จะดิบที่จะรีบหลอนไปมันก็มีโอกาสที่จะสมบระงับเข้ามาได้ดิแล้วก็พูดอยู่อย่างนี้แล้วก็วนอยู่อย่างนี้ แล้วก็ทําความเพียรให้ได้รับความสงบอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้และการที่เราจะพิจารณาแย่ๆเป็นอาการของกายเป็นอาการของใจเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้เรามากําหนดเรามาพิจารณาการพิจารณาทั้งนี้นั่นแหละมันเป็นการพิจารณาตัวทุกก้อนทุกมีความจําเป็นมากถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่มีงานทํา An, เราไม่พิจารณาเราก็ไม่มีงานทำเราจะไม่ได้ทําลายความรุ่มหลงแต่เมื่อเราต้องการจะทําลายความรุ่มหลงเราจะต้องมาพิจารณาการพิจารณาตรงนี้แหละเป็นงานของเราเราเอาเนี้ยละเป็นสนามมันหามาพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกับมาการที่จะพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาได้เนี่ยจิตจะต้องอยู่ในเนื้อมือของเราไม่ใช่ว่าจะโหลดกระนั้นจะดิ้นไปนี้ไม่หยุดอยู่กับงานกับการที่เราจับให้มันทำเนื่องจากว่าไม่มีความสนุก ไม่มีสติถนัดจัจอบไม่มีความเออิ่นภายในหัวใจความเออิ่มความปีติภายในหัวใจมันมีมาแล้วมันเป็นยังไงเราก็ดัวที่เราทำมาที่มันอิ่มยังไงมันเออบีมยังไงมันทราบซ่านยังไงมันมีความสุขยังไงมันมีความเย็นใจยังไงมันมีความชุ่มเย็นภายในใจเป็นยังไงมันมีความรู้สึกแปลปรักอัศจรรย์เป็นยังไงเราทําให้ได้รับความเออบีมคือความอิ่มใจแค่ความอิ่มใจน ความอิ่มใจความดีมใจคือสิ่งแปลกสิงแปลกแปลที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจแล้วก็พล่อยพลอยจะยึบยึ บ, ยบ ม, มันสแสดงความยินดีสแสดงความพอใจเกิด ค, ความอิ่มเปิดขึ้นมายินดีพอใจแ ม, ม้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธานท่านหยางอุทฐานออกว่ารู้ละรู้ละท่านหยางอุทฐานออกมารู้ละคือพอใจ พอใจเออได้ผลแล้พอใจล้วเออรู้ล้วรู้ล้เนี่พรงเป็นพระศาสดาทแท้ๆท่านยังอุทธาณออกมาได้รู้ละก็คือประสบผลสาเร็จประสบผลสาเร็จความปลื้มใจความปีติความยินดีความเออบิมน้ําหูน้ําตามันมีได้มันเป็นได้นะเนื่องจากเนื่องจากเกิดจากความสลหดทหุกหึงความสลดสังเวชในหัวจิตในหัวใจของเรามันมีไ ด, มมได้มันเป็นได้ อ น, นันถ้าเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าพารณาปีตินะพารณาปีติ ป, ตตนะปีติทราบทราบน้ําหูน้ําตาปีติคือความอิ่มหนใจถ้าเราไม่เอาจิตให้มาอยู่กับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จิตมันอาจจะมันอิ่มมันจะโหลดยิ่งไปตามความหิวความอยากปัญหามันพาหิวมันพาอยากมันพาดีดพาดิ่งไปมันไม่รู้จะจบมันไม่รู้จบสิ่งมีมีการทําจิตให้สงบ เราพูพยายามพูดทุกเนี่ยทุกเหมเราได้รับความขวามใจเอาเป็นนี้แต่เวลามันเกิดมันก็เกิดที่จิตใจของผู้กระทำตัวที่จิตใจของผู้กระทํามีเป็นไงเป็นไงที่เราสรุปได้เราพูดใดคือคือความสงบความแนบแน่นความตั้งมั่นนักือกิดได้รับความสงบจิตไม่โดกไม่ดิน่นไปท bon, ี่นู่นไปที่นี่แค่นั้นเราเราก็จะเข้าใจไม่ได้เราจะทราบไม่ได้แลวแเวลาคิตเราอยู่เราต้องทราบได้ เวลาจิตเราไม่อยู่มันออกไปเราก็จะต้องทราบได้ในเมื่อเรามีสติเรามีสัมผัสกันบางทีเวลามันออกไปตอนมันเคลอออกไปแป๊บชั่วขณะจิตเดียวมันออกไปแล้วไปถึงไหนทำไมลุ่นแป๊บเดียวกรุงเทพแป๊บเดียวเหยียดเหยียดขาเหยียดแขนคู่แขนเนี่ยมันยังมันยังช้าไปแป๊บเดียวก็ไปถึงแล้วแป๊บเดียวก็ไปถึงแล้ว พลงจิตมันออกจนแป๊บเดียวเมนเดินทางเร็วมากกว่าแสงมากกว่าอะไรเสียงอะไรทั้งหมดการเดินทางของจิตซึนะ่งไม่มีพลังงานอะไรที่สามารถจะเดินทางได้รวดเร็วถึงขนาดนี้มีแต่อำนาจอนาจของจิตนะแป๊บเดียวมันไปแล้วแป๊บเดียวมันไปแล้วดึงมันมาถึงแป๊บเดียวมันไปแล้วรู้ว่ามันถึงอ้าว ม, มาได้ยังไงนะที่เรามาสังเกตจับตอนที่มันเกิดนเกิดช่วงไหน เราก็มาสอดส่งดูเลยที่เรียกว่าจิตตักจิตตักคือจดจ่อสอดส่องจิตตักคือสอดส่องฉันทะวิริยะจิตตักที่มังสารจิตตักคือคือจดจ่อสอดส่องนี่แหละถ้าสอดส่องถ้าเราจะเทียบกับหลักของพอุทธชงที่เขาเรียกว่าธรรมะวิริยะธรรมะวิรยะแปลว่าสอดส่องธรรมสอดส่องธรรม ถ้าสอบอมก็คือย้อนมันถูนั่นแหละเอ๊ะมันเผลอไปตรงไหนแป๊บเดียวมันไปถึงกรุงเทพฯเราก็ย้อนกลับมามันเผลอไปตรงไหนเผลอไปตอนไหนย้อนกลโอ้เราวานี้เราเผลอไปนี้เผลอนึกไปงั้นนะพูดไปถึงนู่นนะเราจับได้เพราะเราจับได้จิตมันก็ยอมจำมันจำนนมาเราจับมันได้แล้วก็ตั้งต้นใหม่บริกรรมก็ไปอีกบริกรรมก็ไปอีกโดยเหตุที่มันเคยไปมันหัก มันมีความระมัดระวังในตัวของมันมันมีความระมัดมันมีความระวังในตัวของมันโดยหลักโดยธรรมชาติของมันโดยหลักธรรมชาติของจิตมันอยู่เราก็ต e. <interpret ump. S 1> ้องรู้จักว่ามันอยู่มันไปเราก็ต้องรู้จักว่ามันไปแค่นี้เราก็ต้องรู้จักท่านพูดอะไรมากมาเยอะแยะเราไม่ต้องไปจําสำนวนเพียงแต่เราจําอุบายอย่างได้อย่างหนึ่งได้เราก็จะมันทํา ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ฟังกันว่าโอ้ท่านพูดข อ, องนั้นเทศดีเอานั้นเทศหน่อยดีเอานั้นพูดดีเอา น, น, นั้นพูดมาดีโดยที่เราลืมหลักแล้วเราฟังทำไมเราจับหลักเอาอะไรนักนักเข้ากับมีออคติละเอาอโ อ, อ, องนั้นเทศดีไม่ชอบใจไม่พอใจนะมันกลายเป็นเรื่องของของโลกไปอีกมันกลายเป็นเรื่องของเ <c oughs> ิเลสเข้าไปอีกละดังนั้นดีเออพูดอย่างนั้นถูกเราต้องมาจับจับเข้ามาในหลักในข้อปฏิบัติของเรา ไม่งั้นเราจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราฟังเราตั้งใจฟังเราจะฟังเทโลงตาทางสถานีวิทยุประตามเราก็ต้องกําหนดย้อนมาที่ใจของเราจิ้มเข้ามาที่ใจของเรากําหนดที่จิตของเราเนี่ยกำหนดฟังจ่อมาที่จิตของเราเอาสติมากำกับที่จิตของเราเอาสัมผชัยยะมากำกับที่จิตของเราจ่อเข้ามาเองจ่อเข้ามาเองถ้ามันถ้ามันไม่อยู่กับคําคําเทศ เราก็อยู่กับคําบริกรรมของเราไม่สนใจนั้นจิตจะสงกจนลืมคําเทศจนลืมคําบริกรรมก็สงกไปแต่เราต้องรู้ว่าจิตเราอูต้องรู้ว่าจิตเราไปบางทีทันเทศเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้แล้วก็จงจิตไปตามเรื่องที่ทันเทศ เ, เพราะความนึกคิดของจิตเนี่ยมันเป็นมโนภาพมันเป็นมโนภาพนะความนึกคิดของจิตเรดูไปเราย้อนไปไป เราต้องคิดยังไงมันกลายเป็นมโนภาพคําว่ามโนภาพแปลว่าภาพที่จิตมันน้อมไปจิตมันน้อมไปแท้จริงก็คือภาพที่เกิดขึ้นจากสัญญาภายในจิตนั่นแหลอะอันนี้กิเลสมาสวมมาอีกดันงกันมันสวมมาสวมรอ ย, ยอมันน้อมไปเกีเเ่ยวกับเรื่องนั้นน้อมไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แมันปรุงต่อเติมเข้าไปตามเรื่องตามเดิมมันสามารถแทรกเข้ามาได้ทางรูปมันก็สามารถแทรกเข้ามาได้ ทางเวทนาทางสัญญาทางสังขารทางวิญญาณมันก็สามารถแทรกขมานได้เราทําจิตให้ได้รักความสนุกแล้วก็เรามาพิจรารณารูปปักปขันของเราพิจรารณาเวทนาขันของเราพิจรารณาสัญญาขันของเราสังขารขันของเราวิญญาณขันของเรา <c oughs> เขาไม่จําเป็นจะต้องไปไล่รูปเวทนาสัญญาสัขาขงขารวิญญาต่าๆเรากําหนดจดจ่อให้จิตมันหยู่กับรูปอย่างเดียวเนี่ยป็ใช้ได้ทั้งหมดสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะเวลาเราหลับตาไปแล้วเนี่ยมันเป็นมนุภาพในใจแล้วก็พิจรารณารูปข้างในเป็นรูปที่เป็นมนุภาพเป็นรูปที่เป็นสัญญา อ, าอันหนึ่งมันไม่ใช่รูปที่เกิดจากวินน้ําลงไฟข้างนอกที่เราแบกอยู่นี่แต่มันเป็นรูปที่เป็นมนุภาพมนเมื่อจิตมันอยู่กับภาพอ น, นั้นเราสามารถพิจรารณาให้เห็นอันนี้จังทุกครังอนัตตาได้ย้อนอ้าไปย้อนไปย้อนไป มันเป็นการทํางานประสานประสานระหว่างจิตกับกายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกันตกผลึกมาเป็นสัญญาอารมณ์เราก็ไปพิจรารณาอุกภูปารมล์หรือสัทธารมณ์ที่เป็นเสียงหรือขันธารมล์ที่เป็นกลิ่นหรือโพธารมล์ที่เป็นการสัมผัสเนี่ยส่งที่ต่างๆอันนี้มันมีเป็นแบบสำหรับเราเอามาเป็นแบบฝึกหัดทดสอบเราได้ทั้งนั้น เป็นบทกรรมฐานนั้นอย่าไปดูอย่างอื่นอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปดูสิ่งแปลกปรลาดอัศจรรย์เป็นเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรหรือวา่าภาพตามเรื่องตามเราวเรื่องตัวเองที่เราได้ยินเป็นความเรื่องแปลกๆอืออันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราพิจารณาเพื่อเพื่อทําลายตัวเองแต่การที่เราน้อมมาพิจารณาตามที่กล่าวมานี่แหละอันนี้คือเราเข้ามาสู่หลักเข้ามาสู่ต้นตอเพื่อทําลายความรุ่มหลงของตัวเอง ตัวความรุ่มหลงนั่นแหละคือตัวความมืดตัวความบอดของใจของเราเป็นตัวสนิทเป็นตัวความเศร้าหมองที่เป็นเงาของจิตที่เป็นอาการของจิตที่มันเคลือบแฝงมากับจิตที่มันแทรกซ้อนมากับจิตเสร็จแล้วมันก็มาสวมรอยทํางานต า, ามอานาจของมันแท้ที่จริงก็คือความไม่ฉลาดของเราความมืดทึบความที่เราไม่ได้ชำระขัดเกลาตัวนเองนะ จนไม่รู้ว่าอะไรตปงไอะไรดยอำนาจของโมหะก็ทำให้ยืดทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดเท่าที่จิตนี้จะไปรู้จะไปเห็นมันก็ยืดไปหมดโดยไม่ได้นึกยิ้มใช้ใจถุนเยอดเยะไครตรองนีการนึกการคิดการพิจารณาการปฏิบัติธรรมในภายในถ้าเราเดินมาตรงนี้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราจิงเราก็ทำได้เดินเราก็ทาได้ นั่งนอนเราก็สามารถทำได้กาหนดย้อนมาครับก็จับได้เลยตาไปเห็นอะไรกําหนดถ้ามัทะลุผูกหล่ให้พังทลายไปเลยอืถ้าเราฝึกเราหมุนมาตรงนี้แล้วมันจะมีพลังในภายในสะสมอยู่ในภายในพลังอันหนึ่งก็คือพลังแห่งความสงบของจิตพลังอันหนึ่งก็คือความแนบแน่นของสติของสัมผัสัญญะรวมกันแล้วเป็นปัญญาเราเอาปัญญานี่แหละไปแยกแยะไปคลี่คลายไปพิจารณา ดูสาเหตุดูต้นตออันเป็นเหตุให้เราได้ครับความลหลงๆภยในหัวใจของเราเราไปย้อนพิจารณากลับไปย้อนพิจารณากลับไปพิจารณาปแล้วพ อ, อเหน็ดนื่อเรก็สงบท่องว่าสงบก็นโยนย้อนมาจับจับจับอยู่กับอารมณ์เดียวหากมีสระปะพังอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็กำหมดจับจอยอยู่กับงานกับการต่างๆเพว่าเราอยู่แบบ ต้องมีทัะปัจจบันที่จะต้องจัดต้องถามเพราะเรามีข้อวัดปฏิบัติเวลาเราทําะไนเราก็มีสติกํากับอยู่กับสีต่างๆเหล่านั้นครูบาอาจารย์ท่านยังบอกสอนให้พวกเราเกี่ยวข้องกับข้อวัดปฏิบัติเอาข้อวัดปฏิบัติน่ะเป็นเครื่องฝึกสติเอาข้อวัดปฏิบัตินะ่ะเป็นเครื่องฝึกสติที่อย่างปัตตาก็มีใช้สติกํากับเปนการปัาตา เช็ดถูก็เอาสติกำกับไปในการเช็ดในการถูบินทบาทก็เอาสติกำกับไปในการบินทบาทนุ่งผ้าห่มผ้าเดินไปบินทบาทก็มีสติกำกับทุกย่างก้าวทุกทิระยาบทเปิดบานให้เขาใส่บานมีสติกำกับทุกทิระยาบุเอาข้อวัตต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกสติครูบาอาจารย์ท่าเอาข้อวัตต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกสติทีนี้ข้อวัตต่างๆมันก็มีเลย เกิดจากสิ่งต่างๆนี้ไปเราต้องจัดนุ่นเราต้องทำํำอันเป็นสิ่งที่เราต้องเกี่ยวต้องคล้องต้องจัดต้องทําเราก็มีสติมีกมสกิตกําหนดสติกําหนดจดจ่อกับการกลับมาของเราไม่ใช่ว่าไอ้มือก็ทําไปจิตก็นลือ่อคิดเลือ่อยป่วยไปจนเป็นเหตุสมุทัยเข้ามาแทรกภายในจิตโดยที่ท่านินนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนเรานี้ให้เราเอาสติ เราให้เราออกให้เราเอาข้อวัดเนี่ยเป็นเครื่องฝึกสติให้เราเอาการเอางานถ้าที่เราไปทําด้วยความสงบเอามาเป็นเครื่องฝึกสติเราแสดงว่าเรามีสติจำกับอยู่กับตัวทุกอิทธิยบุทุกยืนทุกเดินทุกนั่งทุกนอนพอหมดภาระนั้นปั๊บก็ย้อนมาปั๊บได้รับความสงบกายเราวิกลวิการเจ็บแค่ได้ปวดอย่างไรอย่างหนึ่งเราก็กําหนดดูกําหนดพิจารณาเลย ก็มาดูพิจารณาการดูกายว่าจับอาการของกายเรามันเจ็บไรเหตุอะไมันปวไรเหตุอรมีนปวดอะไมันยึดมันถือเราเจ็บไหมเราปวดไหมเราปวดไหมเราอะไรมันเป็นเครื่องทดสอบได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่ดูเฉยๆดูเฉยไม่ดูแลไม่รักษามันก็ทำไม่ดีเพราะว่าร่างกายนี่มันเต็มับมันมันมันเป็นสมบัติของใจเราต้องดูแลต้องรักษาแล้วก็เอาไปดูแบมัน ตราบใดที่เรายังข้ามภพข้ามชาติย่างไม่ได้เราต้องอาศัยกายนี่แหละเป็นเรือเป็นแพเอากายนี่เป็นเรือเป็นแพนั่งข้ามฟากจากฟากนี้ไปสู่ฟากนั้นเอากายนี้เป็นเรือเป็นแพร่างกายของเราเนี่ยถ้าหากไม่มีลมหายใจแล้วก็เป็นซากศพเอาซากศพตัวนี้แหละเป็นเรือเป็นแพข้ามจากฟากนี้ไปสู่ฟากนี้ฝฟากนี้ปุรยชนฟากนู้นอริยชนเนี่ย และออดตายของเรเป็นเรือเป็นแทได้เป็นเรือเป็นแ ท, นนนทสลับตายสลับใจของเราเนี่ยนั่งข้ามไปก็คือเป็นเครื่องฝึกซ้อมให้จิตฝึกซ้อมทำลายความลุ่มหล ง, ลลงความลุ่มหลงในกายนี้ย้อนก็ไปจนถึงความลุ่มหลงในจิตนี้หลงกับอะไรไปย้อนก็ไปย้อนกับหลงก็ไปย้อนกับย้อนกลับไป้จิตที่เราหล ง, งหย้อนไปเรื่อยย้อนไปเรื่อย ล, ลุกลามไปจนหมดทิ้ง ไม่เชื่อไปไม่ไปไม่ไปไม่ไป็นหมดมันเป็นงั้นจรงถ้าเราทำถูกไม่งั้นท่านจะว่าตกกระแสตกกระแสมันจะไหลไปเองตามเรื่องนั้นไหลไป่อยไหลไป่ไหลตปรืยไหลตปรื่ไหลไปสู่มหาสมุทรนะตกกระแสมันไหลหลารยไลไปเรตกกระแสทำตกช่องของทำจบท่องจบ ตกช่องของธรรมไหลไปตามช่องของธรรมตกกระแสของธรรมไลไปตามไหลไปตามกระแสของธรรมเมื่อมันไหลไปถึงนั hmm. ้นแล้วม e> ีช่องมีทางเบิกโดยตัวของตัวเองไปเรื่อยเบิกปยิกไปเอย่เรื่อยฟไปเรื่อยมีบททดสอบไปเรยเทียบเทียงไปเรื่อยดูไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเปิดก็เรเปิดก็เรเปิดรเหมือนกัว่ามันแม่น้มันลงไปแล้วเนี่ย มันก็พัดไปเรืยพัดไปเรื่อยๆตามหลักธรรมชาติของมันอันนี้ก็เป็นหลักธรรมชาติอันนึงเหมือนกันนิ่เมื่อเรามันเข้ามาถึงตรงนี้ได้แล้วมนะั น, นก็ไหลเข้าไป อ, องใช่ไหหลเาไปเ อ, องนเนื่องจากว่าจิตจิตนี้ถูกชาระถูกขัดเกลาจะย้อนหลังไปไม่ได้จะต้องไปหน้าอย่างเดียวไปอย่างนี้ไปตามช่องตรงนี้ตามทางตรงนี้แหละไปจนถึงที่สุดนู่นมหาสมุทรทะเลหรือเปล่ะเป็นที่อยู่ของน้ําอยู่ที่โน่น ปปเป็นที่ฝีดูพวกนั้นโยทีมีคือเราตั้งใจประพฤตปฏิบัติมาทาให้จิตได้รับความสงบแล้วเอามาพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่จะเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาสมรรคแล้ ว, วความสงบ ก, ก็คือเอาจิตนี่แหลมาสงบให้ได้รับความให้ได้รับกำลังวิปัสนาวิปัสนาเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วตามหลักนะเมื่อจิตได้รับความสงบแล้ว นับตั้งแต่อุปจารสมาธิเป็นต้นไปนับตั้งแต่อุปจารสมาธิเป็นต้นไปแม้แต่คณิกะสมาธิสมาธิเจ็ดเฉียนนี้ก็ตามในเมื่อเรายังอยู่ในขั้นขณิกะสมาธิเราก็สับเปลี่ยนหัดพิจารณาหัดน้อมนึกคิดพิจารณาเข้าไปหากจิตของเราลึกเข้าไปถึงขั้นอุปจารสมาธิ จิตสงบละเอยียดลึกเข้าไปมากกว่านั้นเราเราตั้งสมมติฐานยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเราตั้งมโนภาพยังไงให้อยู่อย่างนั้นเราก็กาหนดพิจารณาไปจิตใจของเราก็สงบอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งมั่นหมาเอาไว้นั่นเสร็จแล้วก็สามารถนึกคิดพิจารณาให้เห็นหลัก อ, อนิจยังทุกขังนัตตาได้ท่านให้ยกเอารูปปัถานี้ให้ยกนามธรรมนี้สู่ไตรลักษณให้พิจารณาสู่ไตรลัก ไตลักษณ์ก็คือภาวะความเป็นจริงของกายอันนี้ความเป็นจริงของจิตอันนี้กายอันนี้ภาวะที่แท้จริงของมันก็คืออันนี้จังทุกขังอขัตธ์มันทนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้เป็นความทุกข์มีกองทุกข์เป็นเป็นทุกข์ทุกข์ขันธด้วยเหตุที่มันทนไม่ได้มันเปลี่ยนไปเป็นอันนี้จังมันเปลี่ยนไปเป็นอันนี้จังมันทนในภาวะเดิมของมันไม่ได้เป็นทุกขังอันนี้จังทุกขัง แต่ น, นัตาอันนี้ยังทุกขังนั้นเป็นทางของมันเรามีจิตก็ตามเราไม่สามารถเอาจิตของเราเไปบังคับบัญชากายได้เรามีจิตก็ตามเราไม่สามารถเอาจิตของเรา new, ไปบังคับบัญชากิเลสที่อมแปรหยุดภายในจิตให้เป็นไปนตามใจเราบังได้เราบังคับบัญชามันไม่ได้ทนนีนี้นแม้ว่าเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้แล้วเราทํางเราชําระขัดกเกลาได้ท่านให้เรามารู้มาเข้าใจ มารู้มาเข้าใจแล้วก็ยอมรับยอมรับตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงของมันแล้วคืนให้กับธรรมชาติทั้งหมดโอ้ธรรมชาติร่งกายเป็นนี้คืนให้หลักของธรรมชาติร่งกายทั้งหมดรูปเวทนามปอาการนี้คืนให้หลักธรรมชาติของเวทนาทั้งหมดเวทนาขันสัญญาขันโอภาวะของสัญญาขันเป็นคืนให้กับมันทั้งหมดแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นตอนนั้นจิตของเราก็แผลว่าวรู้ รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายสว่างสวายทลุผูกโพรงหมดแล้วเลยทำไมงั้นเราก็คืนไม่ได้เราก็จะเริ่มคืนไปตั้งแต่เราเข้าใจโอ้กายก็สัตว์ที่ว่าตป็กายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามันฝังลึกลงไปที่จิตที่ใจแนบแนมถอนไม่ออกถอนไม่ขึ้นมันนความเชื่อสนิทในจิตในใจอันนี้ อีกตัเรียกว่าคือได้กับธรรมชาติอย่างสนิทใจและโดยที่แท้จริงมันก็เป็นงนั้นมันขึ้นตามภาวะของมันมันไม่คงทนตามภาวะของมันมันเปลี่ยนแปลงตามภาวะของมันเอาไปบังคับบัญชาไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ร่างกายนี่แหละเวลามันปกติมันเวลามันปกติปกติตามตามความปกติของมันเราเพรว่ามันเป็นสุข แต่เวลามันขัดขัดคล้องขึ้นมามันผิดไปจากปกติสักหน่อยะเราก็ว่ามันเป็นทุกข์ถ้าอย่าร่างกายเรายืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้ลุกทำนั้นทำนี้ได้ตามปกติสะดวกสบายไม่เจ็บไม่เก็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้เราก็ถือว่าเรามีสุขร่างกายเรามีสุขแต่เวลามันขัดมันคล้องขึ้นมามันขัดน้ำมันปวดตรงนี้เราก็ว่าเรามีทุกข์แท้จริงกายนี้มันพร้อมที่จะมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเนื่องจากเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนนั้ เลยเป็นเหตุให้มันคงที่อยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเรารู้ที่ผมที่ที่ที่ศีรษะเราเราสังเกตูวันโกนเราจะเห็นชัดอวันนี้เช้าวันนี้เราโกนครับวันพรุ่งนี้เราไปลูกดูมันโผล่มันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ีาเราไปตั้งใจให้มันโผล่เราไม่ได้ตั้งใจแต่มันโผล่ไปข้งมันเองทําไมมันถึงโผล่เพราะมันมีเหตุของมันมันมีปัจจัยของมันมันทํางานต่อเนื่องทุกขณะของจิต เพราะว่าร่างกายของเราถ้าเราจะเทียบแล้วเหมือนโรงงานโรงหนึ่งทํางานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมันไม่มีหยุดไม่มีหยุดว่าถ้าเราเอาธาตุภายในใสเข้าไปให้มันมันบดมันอัดมันขับมันไล่มันย่อยมันสลายอะไรตามเรื่องของมันยู่ภายในกายของเราเวลามันทํางานตามระบบกระเบียดของมันไม่ได้สะดวกไม่ได้สบายมันก็เจ็บมันก็ปวดขึ้นมาที่อย่างกระบบหายใจไม่สะดวกลมไม่สะดวก ก็เป็นโรคลงขึ้นมาเสียนประสาทเจ็บคัดตรงนั้นข้องตรงนี้ปวดขึ้นมาเป็นบาดตรงนั้นเป็นแผลตรงนี้เนนื่องจากว่าตรงนั้นมันทำงานไม่สะดวกตามอย่างรรมเรามันมันขัดข้องในการทํางานของหลักธรรมชาติของมันมันก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาขึ้นเป็นกองทุกขึ้นมามันเป็นตามหลักธรรมตามธรรมชาติของมันมันมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเราดูให้เห็นเหตุให้เห็นปัจจัย พานให้ว่าศักให้เห็นกายศักดิ์สบา ก, กายเราก็คืนอันนี้ให้กับธรรมชาติเวทนาก็ศัพดิ์สบาเวทนาคืนให้กับธรรมชาติก่อนที่เราจะคืนให้กับหลักธรรมชาติแล้วก็มาพิจารณามาขุด ม, มาปุ้ย ม, มาค้น ม, ม, ม, มาอะไรกันแล้วจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจกับสัญญากับสังขารกับจิญญาณอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดเราหาก พิจารณาเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับเวทนากับสัญญาไปให้พาใจกับสังขารเราก็จะวเข้าใจไปด้วยกับวิญญาณเราก็จะพอใจไปด้วยเราถนัดในขันใดครูบาอาจารย์ท่านให้จับขันนั้นมาทํางานไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปไล่ทั้งหมดการที่เราไล่ทั้งหมดนะั้นมันเป็นการไล่แม่บทอันนี้เราก็ไล่เข้าไปเพราะว่าอันนี้เป็นหลักแต่เวลาเราทํางานจริงๆจะได้เห็นได้ผลจริง ยกไตรลักษณ์มาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจตามหลักหลักของไตรลักษณ์นั้นได้แม้แต่เราเห็นไตรลักษณ์ใบไตรลักษณ์หนึ่งก็ใช้ได้เราเห็นอ น, นิจจังเราเห็นอ น, นิจจังชัดเจนโดยโดยญาณทัศน์เห็นเห็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ถือว่าผ่าน ชั้นภูมิของคุณธรรมต่างๆ น, นั่นก็ได้ไม่ใช่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องไปเห็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตถ์เห็นอนิจจังก็ผ่านไปได้เห็นทุกขังก็ผ่านไปได้โดยเหตุการที่เราปรารอในการทําความภาคความเพียรพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เข้าใจเรื่องทุกขงังคิดญาณทัศนะรู้เห็นลักษณะของไตรลักษณ์คือทุกขงัง อีก็ผ่านทุกขังก็ได้อย่างอื่นก็ตกไปหมดบางคนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหตุวิธีการที่ทําไม่เหมือนกันก็จับลักษณะของอันนี้จังโอ้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปไนะเกิดยันสนะรู้เข้าใจขึ้นมาแล้วก็ผ่านตรงนั้นไปได้ตามชัน้นกตามชัน้นตามภูมิไปแต่ก็เป็นหลักสูงสุดเข้าไปถึงระดับจิตใจขั้นสูงสุดเนีลยท่านหมายเอาอณูตาเป็นสำคัญหมายเอาอณตาเป็นสาคัญ แต่เราก็สามารถเห็นอนัตตาตั้งแต่คุณธรรมชั้นต่างๆนี่แหละเป็นต้นไปโดยที่เราไม่จำเป็นว่าคุณธรรมชั้นนั้นจะต้องเห็นอันนี้คุณธรรมชั้นนั้นจะต้องเห็นอันนี้หากขึ้นอยู่กับการที่เราตั้งอารมณ์ในการพิจารณาของเราบางคนก็เห็นเกิดญาณทัศนะด้วยการพิจารณาเห็นทุกขังบางคนเกิดญาณทัศนะด้วยการเห็นอนิจจังบางคนเกิดญาณทัศนด้วยการเห็นอนัตตา เมื่อจิตสงบแล้วท่านให้ยกกายของเราสู่ใหลับให้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทำไมถึงต้องเห็นมันเพราะภาวะความเป็นจริงของกายคือมันไม่คงทนแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปไม่คงทนก็คือเป็นทุกข์เปลี่ยนไปก็คืออนิจจ์นี่คือภาวะของมันนะเราเข้าใจตรงนี้เราดูตรงนี้ดูให้เห็นตรงนี้เราก็เข้าใจตรงนี้ ลักษณะนิจังลักษณะทุกข์ขันและก็เราไม่สามารถจะไปบังคับบัญชาอะไรมันได้มันคือภาวะคือลักษณะของนักตาการตั้งใจภาวนาแล้วก right, ็หมุนมาตรงนี้แล้ว oh ก็พูดภาษาเราธรรมดาธรรมดานี่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแต่จะมีให้เราหมดความสงสัยเกิดความเจียมแจ้งจะต้องเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะอุบายไม้อุบาย ทำต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่จะเพิเกิดขึ้นรู้เห็นรู้เห็นเข้าใจเรื่องอาร์เรื่องธรรมนั้นจะต้องเกิดขึ้นสดๆตอนๆที่จิตของเราเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นั้นแล้วก็เป็นเป็นแนวทางเท่านั้นเองเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นเองเราจะต้องเข้าถึงสิ่งต่างๆนี้นได้เพื่ออารมณ์แห่งปัจจุบันทันด่วนที่จิตที่ใจของเราเรื่องจะรับเราทํางานอยู่ในวงปัจจุบันทันด่วนตอนนั้นเวลานั้นขณะนั้น จำเพาะขณะนั้นตอนนั้นก็มดเกิดจอรู้เข้าไปทําความรู้จักทำความเข้าใจเข้าไปดให้ใบกําลังจิตให้ได้กําลังใจแค่นี้เราก็พอจะเข้าใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบทําไปให้จนเกิดผลเกิดผลในตัวเรานเองเลยเราถึงจะมาพิสูจน์ได้ย้อนหน้าย้อนหลัง ว่าเป็นยังไงจิตอยู่หรือไม่อยู่จิตสงบหรือไม่สงบพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจหมดความสงสัยเรื่องอัตภาพร่างกายนับตั้งแต่ขั้นพื้นๆื้ น, นลึกขึ้นไปโดยลําดับตามภาวะตามสติตามความสามารถแหนน่งตนแห่งตนเราก็ต้องต้องใจทำเข้าไปอย่างอื่นในโลกนี้หากมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันอ หากมีอยู่มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันเช่นอย่างความเป็นอยู่ของโลกเราได้อัตภาพร่างกายมาจากพ่อมาจากแม่ในเมื่อเราได้อัตภาพร่างกายมาแล้วถ้าเราไม่สนใจเรื่องการดับทุกข์เราต้องการจะเรียกอัตภาพร่างกายอย่างเดียวมันก็มีตามีหูได้เห็นได้ยินได้ฟังได้อะไรแล้วเราก็ทำหาจิตหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองหาอะไรทั้งนั้น เราก็สามารถทําเป็นไปตามยิ้สัยของโลกได้มีอยู่ได้เป็นอยู่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมาศึกษาเรื่องอัดเรื่องทำเลยเราก็สามารถจะเสวนหาทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นได้เนื่องจากว่าเหตุปัจจัยให้มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นตามภาวะของโลกความมีอยู่ของโลกความเป็นไปของโลกแต่ถ้าหากเรายินดีเราพอใจอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับว่า เราได้อัตภาพร่างกายมาแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงแต่อัตภาพร่างกายนี้อยู่ไปจนตั้งแต่เกิดเกิดม า, แ ก, า, าแก่เท่าอนุสาวแก่เท่าแล้วก็ตายไปในที่สุดคืออยู่เพื่ออยู่เพื่อกินแล้วก็เพื่อตายในที่สุดธร่าดั้นเอแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความทุกข์ที่เราประสบพบเห็นทุกวันเวลานาที ที่เราไปเกี่ยวข้องประจําวันนั้นเลยที่ที่ที่เ้าเรียกว่าทุกจอนทุกจอนทุกจอนอันเกิดจากพิษสอของกิเลสนันถ้าหากเราไม่ย้อนมาดูตรงนี้เรามาม า, มาพิจารณาเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปัจจัยเห็นต้นตอของมันตรงนี้เราก็ยังเราก็ยังหลงอยู่เราก็ยังลืมตัวอยู่โอกาสที่เราจับนัดขัดเกลื่อนเพื่อที่จะให้เกิดความผู้เกิดความเข้าใจในกองทุกต่างๆเหล่ า, านั้นสโลว์เราคุยดีเราพอใจที่จะทนแบบกองทุกต่างๆเหล่านั้น เนื่องจากว่าเราพยายามไปสวยหาสิ่งต่างๆเหล่าอื่นมาบริโภคมาใช้มาสอยมาเสษมาสัมผัสสัมพันธ์ทดแทนสิ่งที่เป็นธรรมเราก็ได้ประสบพบเห็นในรักความสุขอยู่แค่นั้นเองอยู่แค่นั้นเองเราก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนแต่ถ้าหากเราทํามากินโดยเหตุที่พวกเราเป็นชาวพูดได้ยินได้ฟังอ๋อตั้งใจให้ทานได้ผลได้ประนอย่างนี้ได้นสวรรคนี้ ตั้งใจรักษาศีลได้ประโยชน์ยอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้มีประการะเกื้อหนุนกับจิตแจของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้การตั้งจิตให้สงบตั้งใจภาวนาให้จิตสงบมีประโยชน์อนิสงฆ์ทำให้เราทําลายความรุ่มหลงอย่างนี้อย่างนี้การใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาที่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในชีวิตของเราเกิดมาอย่างไงอยู่อย่างไงแล้วเป็นไปอย่างไงแล้วก็เป็นมาจากไหนให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจใ ก็ทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจมีความสว่างอร่มัเป็นการศึกษามัน dressing, เป็นการพัฒนาเกิดความ women, วร IA, ูสส้ความเข้าใจตามเพศตามภาวะของความเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้มีจิตใจสูงสามารถจะมาศึกษามาอบรมมาพัฒนาจากความอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลําบากในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เกิดตายเกิดแก่เกิดตายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจพัฒนาให้ค้นไปจาก วัตถสงสารที่เกิดแก่เกิดตายเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งอกตั้งใจทํามีกําลังวังชาของใครของเราก็ตั้งอกตั้งใจไปถ้าเราคิดนอกเหนือจากนี้ไปอย่างอื่นไปสิ่งอื่นมันก็เป็นเรื่องอื่นไปมันไม่ใช่เรื่องของของธรรมมันไม่ใช่เรื่อง ในหน้าที่ของเราเราเอามานึกมาคิดมาพิจารณาตรงนี้เราก็จะได้อธิบายเราก็จะได้วิ้ทีเราจะได้ทีบาปกรรมสงกิจของเราให้ได้รับความสงบแนบแนมยิ่งขึ้นให้ได้รับความรู้ให้ได้รับความเข้าใจได้รับความสว่างสวัยเพิ่มพูนทวีคู่ ม, มากขึ้นทําให้เราได้ย่นย่อภพชาติของเราในวัฏสงสาร เมื่อเราได้เข้าถึงความเป็นพระอริยะท่านใดข่า น, น, นหนึ่งตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปเราก็ยน่นย่ อ, อทุกชาติของเราความทุกข์ที่เราจะต้องมาทนแบกบทนหามอยู่นี้อ่ามันก็สามารถจะมีจุดจบลงได้การที่เรามีทุกข์เต็มแปรอ ย, อยู่ในหัวใจของเราอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นการหน้าเข็ดหน้าลาบไม่ว่าเราไม่ว่าท่านอยู่แล้วถ้ า, ากเรา ยินดีพอใจอยูนนน่ตรงนี้เราก็จะต้องประสบกับสิ่ ง, งต่างๆลันนี้ไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพระวัฏจักรสงสารไม่มีที่จบมันเป็นก้อนกลมๆ ม, มันไม่มีที่เริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดดวงตาทของว่ามันมดแดงตาขอบดงตายไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีที่จบตายไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีที่จบเมื่อไรเราเกิดแก่เจ็บตายวนไปในวัตจัสงสารเนี่ยไม่รู้ที่เกิดเก่าไม่รู้ที่เกิดใหม่ เหมือนเหมือนวันยำ่ำรอยเท้าอยู่ในข้อรู้รอยเกา่าไม่รู้รอยใหม่ไม่รู้อันไหนเป็นรอยเก่าของเราไม่รู้อัไหนเป็นรอยใหม่ของเราไม่รู้อันไหนเป็นพกใหม่เราไม่รู้อันไหนเป็นพกเก่าของเราด้วยเหตุที่เราวนเวียนในวัฏฏสงสาร ม, มีจุดจบกนี้นี้มันเป็นเรื่องที่น่าเกลียเป็นเรื่องที่น่าลาเพบดฉะนั้นกเราต้องอบกันไปด้วยกันทุกคนอ่ะพอต้องควรแนละ้วทำบัดรสวดมนต์ อย่าธรรมะสมบเสร็จแล้วใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างก็ถามขันบ้างก็ได้แท้จริงเราก็เปวดใจตลอดนะแต่ไม่มีใครสนใจที่จะถามอะไรให้เราพูดคนเดียวเราก็พูดได้อยู่อย่างนี้บางคนก็ฟังเข้าใจบางคนก็รู้เรื่องบางคนก็เหมือนไม่ร้เรื่อง